วันวันแงมสิบคำก็่ามึงวัยวันนี้นะวันแมแปดคำมึนว่าวันวันวันที่เจ็ดแปดคำมันฝันกลามขึ้นหนึ่จงจำได้รึเปล่าวันฝันว่าผมตายวันวันวันวันวันที่แปดเขาวันที่หกผมเปิดประขึ้นวันมันฝันมันบอกผม 8, 6, ผก็เลยเปิดประตูขึ้นวันที่หกจินหะ มั่งกลุ่ับแมตะการเจ็ดคำึงมัน้องรึ่งทั้งวันที่หเนีันที่เจ็ดติงหาผมากมันหนักผอ น, น, นหน้ามอนนอยกำหนดนะเปิดกับคาผ่อนหน้ามาเปฝั น, น ป, ประคูนมันตาย บมันห <again> ิมอบือด้หยิศพมันห้องบามันไปมันว่ารัศมีสมาหยางยออกจากหิบศแล้วรัมีพวกเจ้าพัดอะรหัทงลามาร่วมกันกระจายกัมากันันเยอะเอ้ยอตองสาออกจากหยิเป็นรัศมีสม ความถูกวางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของประลานทั้งหลายลงมาหากันทรงลงมาหากันทรงกันรับกันอ น, นี้ของของมันมันว่ามัน่นขึ้นหนูนีของโตก็ออกสูงมันออกส่งแสงสว่างมือกันขึ้นนี่เลยค่ขึ้นขึ้นหูนี่มันออกเลยมันว่ายากนิยู่นิดห่อยมันออกส่งแสงรสว่าง จ, จ้าจำเน้นชุ่นเน้นจำเน้นี่พ่อสะดุดตเป็น ม, มากโตสัตว อ, อื่นๆอย่างไร เทงอัจจ ร, รันเรื่องคำฝันของน่งเทิ้งพิทุวิจารย์น้องเล่าน่พอคำฝันมันคยแนวคยแนวเลฝันเรื่องไหนมันแนวเลงมั่งนี่ฝันทั้งสี่มันยันปนป่วยหลายอย่างมันหลายอยู่ๆมักเป็นงจิตรถเมื่อกีคนพึ่เก้า เหมืนทั้งทั้งทั้งดีใจทงเสียใจดวงของขึ้นนอ่นไปเลย้อื่นตลอดแจ่มเลยของขึ้นพวกนันติดหูติดตายทั้งสองอย่างเลยห่ตายกับหลงนาคกมีก็บมือมือโตยันพูดคุยขั้งฝันเกี่ยวกับอะสัก็ั่งขั้นเริ่มตายกันอย่างจรินๆควยโดดเดี่วูนั้นคยงนี่ก็วงพ่อที่เก็บเล่ากแม่วันวันหลังหง ี่ลทุตรมเป็นอะเป็นมากโนด้กัน้งเก่าที่แปลกเป้นไม่ถึงเก่าที่เก่าเหมือนต้องพืดีวันอั น, นเก่าเก่าเปนยั น, น, นยเีนเป็นเครื่องรอไ ร, ระทบใอย่างสำคัญรกษานะทางที่ตัดของน้ำ เร่งิดมันขาดจากอะไรแล้วมาเป็นลำดับๆก็ทราบขาดโดยชัดเจนมิคัพต่ออะไรนี่ทราบทางด้านปฏิบัติระหว่างอารมณ์รหว่างเรื่องที่เคยจบต้องกันมากน้อยมันตัดการขายกันเป็นประเทศนีตเป็นประเทศของสิ่งนันนั่นเป็นหนาเ็มันมันมันไม่ทราบเงตายนี มันจะเป็นขนาดสีตายกิริยาระหว่างขันกับิมันจะเป็นยังไงเราไม่รทราบตอนที่มันเป็นน้ผูมันถึงจะคฤเวทนามันกล้าสา่ถ่ายถึงยีพาผมอาเจียนสองอาเจียนขั้นที่สองนีมันพุ่งจะปั่นิษฝัน มันได้ังไม่ได้หนึ่งนกำลังยังในนี้มันนมันเห็นแล้วที่อาเกียนเป็นขาพุ่งพุ่งไปฝาหัวพวอนแรงมันันนนลไอปาจิพุ่งไปิดฝาติดฝาเมื่อตอนเจ้าเขาอาหาไม่จิ้มมันจิ้มได้ก็เลสดยังงี้น้อยๆน่ะหลังจากนั้นมักมันมากทยเลยก็กินไปทายไอาเียนน่ะ เขาทั้งนั้นมันออกบนเขาต้มนิหน่อยาน่น ไ, นนนไปมันก็พุง่งนี่เตดฝาพุ่งพุ่งพุ่งเตดกันปีกันจนกระทั่งเส้นท่อแล้วนี่มันเป็นแผ่นกระดานไปเลยเออกจะหางมาก้กงมอกอย่งมอเรื่อยเรื่อคือมันแต้งทีนลนะไม่นได้แตสำคัญที่ัมเนื้อผินนี้นุนกงผมมอย่างพร้ขขอม รงมดัดทังนี้ร่องนี้ขึ้นพร้อมกันพ่อมเลยเขา่าขจิตความรู้สึกอ ม, มดหูดับขึ้นหมดเลยนม่อวัยวะนี่มันไม่ใช่ว่าหูหนวกตาบอดนะมันเลยหอดเล่บอดร่างกายมันเป็นทางานเพื่อพื่นมันก็เลย่อยทีต า, าบอดนี่ทั้งมดเรารับตางเี่ยมันมเห็นมือหมื่นในตามไม่เห็นวัตถุมันก็เห็นหมืออ่ในตาตัวเอ เช่นหัวหวงนี่มันไม่ได้ก็ได้ยินตึงมันตังอยู่ภายในตัวเองอันนี้มันหมดมันเป็นท่อนมากไปเลยร่างกายทุกส่วนเป็นท่านมากไปหมดคือไม่มีความรู้สึกมันหกตัวออกมาหรือแต่ความรู้มันลทุกเวทนาที่สะอาดดับหมดนั่นตรงนี้ที่มันรู้ได้ชัดน้องคงเราต้อมีสติแล้วขนะดนันจะไปจริงๆแล้วทุกเวทนาต้องดับ คือมันปล่อยไปก่อนเขาไปปล่อยความรับผิดชอบแต่ปล่อยมาหลายอย่างคืออันหนึ่งธรรมชาติมันปล่อยความรับผิดชอบแต่อุปทานไม่ปล่อยอันหนึ่งอุปทานทายในจิตมันไม่ปล่อยที่อะไรๆเขาไปดูในจิตมันไม่ปล่อยกรรมวิบากกรรมมันไม่ปล่อยในจิตหลังคิดกันที่ตรงนี้แต่จิตนี้ไม่ปรากดเรื่องนี้ไม่ปราก ดับหมดเหลือตู้่กับตงมีช่องมีใสรู้อยางัเถ้าไม่ตกมันไม่ตกได้นะเข้าไปถึงหลังัตกเคิดได้แรงเส้นเนมากรบร่างกายกัถ้ามันดิดเขาเพิ่มยันึงมันก็ไปนั่นเดียวกเก้าเก้า ถ้าเพื่อนยับเทานั้นก็ไปอันนี้มันไม่เพื่อนมันรวมเข้าไปกับลูความรู้ชอบมันถอนมาามาทถอนมนวิจาความรู้สึกส่วนภาษาต่างๆมันถอนการพูเรื่องการถอนหมดเลือด่ใจเรื่องมันมันต้องคิดตกนนี้ไปอยงนี้เถอะหนักมันมีตัวแบนมันจะไปึงตคุณหมดแล้ว ทุกหมดแล้วทุวกส่วนเร่งการอาไปก็ไปถามว่าไปก็ไปจ้งเขาดิารู้อีกทีนึงเพรจะตั้งใจให้ไปเอาไปก็ไปกหนดเฉพาะเจิตันก็เป็นพลังสมมติอันนี้นะการกำหนดเป็นสมมติตั้งขึ้นแทนที่มันจะไปมันกลับมีกาลังนไม่ไม่ถึงนาทีกหนด สร้างมาอีกทีไ ม, ไมารู้รับรู้หูได้ยินตาเห็นถ้าฟังก็ตามมันก็เห็นร่างกายก็ที่เวทนาก็เกิดร่างกายรู้สึกเวทนาก็เกิดขึ้นในขณะแล้วแล้วก็เวทนาเขา้าหัสเท่าดเดดียวก้าสิเก้าอร์เซ็อันนี้ไม่ถึงแม้หนึ่ทุกเวทนาสาหัสอยู่ในภายในหมู่หัวใจมันอ่อนเต็มที่ยังไม่มีกําลังเลร่างกายหมดกําลัง มันอ่อนอยู่ภานนมันเพรียวนี่มันนีกรงกลางนี่ประา น, นานี่มันไม่ได้ยังไม่ก้างขึ้ไปตัวนี้มันอ่อนเนาะากยมตอนนันล้มลงไปยงนะตอนที่จะก้าวขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ยืนเราเลาอตัวก็เรารู้อยู่แล้วนี่เราไม่แน่ให้าเน การก้าวนนี้ไม่แน่ใจว่าจะก้าวขึ้นได้มีอยู่ห้าเปอร์ซ็จะลองฝืนลองดูถ้าเราแน่ใจจะก้าวขึน้าขึ้นเราก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นละขั้นก้าขั้นไหนเราก็อยู่ทุกนก้าเราไม่ได้ก้าวเดินขึ้นไปเราก้าวตัวยอๆมันเป็นยังนก็นั่งอย่างนั้นไประท่าัน่งเสียเรขึ้นไปก้าวไหนขั้นไหนเราก็พักไปไปจนทั่งถึงน่แล้วเราก็ก้านี้ไม่่ ฝืนเรดูใน้นี่ฝืนอยู่ืนก็เป็นจริงๆเพราะกาวุ่เตียงหมดกำลังวุก็เพิ่งเลยเพิ่งนั่นหลยไม่รบไปนู่นนี่ีสติสตังก็มีกำลังพอที่จะสรางทานเลยนิดๆมันก็มีพอมีพอล่ำนี่ก็พิ่งกาลังมีน้อยเท่านั้นนั่นลมหายใจมันก็จะไม่มีนะสูดลมหายใจเหมือนอากาศมันไม่มี สูบไ่ได้ใจเหมือนไม่มีลมหายใจคือมันหมดกําลังขนาดนั้นสูบยังไงอากาศที่เราจะสูบลงให้ถูกเข้าไปเป็นลมหายใจนี่เนี่มันมีแต่กําลังที่จะสูบเอาลมเอา อ, อากาศเข้ามาหายใจเนี่ยมันไม่มีกําลังนี่ไม่มีดังนั้นก็เหมือนว่าลมไม่มีอากาศไม่มีโล่งไปหมดความกินกําลังของเราไม่มีที่จะสูบออกมันก็เป็นมากพอควรที่มันสันก่อ ใก้เคียงตัวคนสำคัญสำคัญไม่เคยฝันมีอะไรเยอ้วเฮ้ยดิบุ๋นเลยเฮ้ย จับ้างอะไรนะจะได้หาผ้าพี่น้าผ้าหลายตืนเป็นผ้าบางผ้านาผ้าอก่อนจะไปไพี่น้าไปเกนจับไ้แล้วไม่มามันก็ต้องนี่เดือนอะไรดีทันล้างเลยงานที่จิตนะ ต้องเดือนกว่าเฮ้โ อ, โอ้ไม่ถึงเดือนนะพฤศายที่เจ็ดที่แปดก็เกิดเดือนงงเกิดเดืนอนถ้าเราไปคิดถึงเงนชียินมันมันเป็นมางินเช่นเราคำนวณอะไรอะไรเราก้องคำนวณไปนมะมะึงมองๆมันเป็นมันเหนื่อยมันผมที่ใหม่คิดมองอะไร เช่นนี้บัญชีแล้วบัญชีนี้มาผมดูผมดูให้ผมกรองดูตามบัญชีตรงอยู่ตรงห้องมันมันเป็นคือมันแท่สัญญาไปจบไปจ้องดึงมันนี่ลงไปโลกมันมันอยากนี้แต่ถ้ามันพิจารณาไกลกรองอัดฐาัไม่เป็นนี่มันแตกกันนะอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของโลกเป็นผิดกันมากเห็นเรากําหนดพุทโธพุทโธนี่กับความคิดนั่นอ่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกัน แต่ความคิดนั้นมันทําจิตใจใเราให้ว้าวุ่นของส่วนความคิดความปรุงคําทําเช่นพุทธกรรมพุโทโธพุโทโธเป็นตนน้นมันไม่เป็นคําปรุงอนี้มันจะทําิตให้สงบได้ความปรุงอย่างนั้นอย่างโลกนั้นมันทําตให้ฟุ้งม่หยกักไม่เป็นทุกข์ได้จึงแบบทั้งขานพุทโทัง้งฐานพุทโาผิดกันพุโทพโธพทโธนก็เป็นทั้งขานผิดมาก ความคิดเรื่องนั้นเรื่งนี้มันนั่งขานไปสมุทัยมันเลือกคิดตัวนี้มันเป็นเรื่องโรคมันจึงทำให้เหนื่อยเหยหัวใจน่าวมนจะเหนื่อยถึงวันไหนนะกำหนดตามันก็หนดนี่นี่มันอย่างนี้มันก็รู้สึกนอยู่ลําพังดีมาไม่หยุดหลงอั้งหลงหลง เงินบางทีอะไรอะไรเป็นอะไรอย่าให้เรา่งเลยเรคิดว่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมันไม่เข้ากันกับโลกอนิจจมันกะเทือนกันมากถอยู่สบายไกากกรองตามอดํามทำนั้นมันลื่นลย่นไเช่นสวนมนอรมันลื่นล่นไปพี่นาไก่กองตามท่าําคันส่วนนั่งส่วนนี้ไปมันเพลินมันเป็นความลื่นลมของจิตเป็นวิหารธรรม สบายสบายว้ามันในการนี้ไกาก็้าหักกระพุ ป, ปิวัติชอบปิวัติอยู่ช่วทชโนุสุญญาสารุปถิมีมนนปกกนนักข้หาหักโกงคำเลยมีข้าหักเนี่ยมีว่าจะข่าพระเจ้าระวังนะาจะรบกันที่แต่ลกลงมออกเสีย ท, ท, ทั้งขงกิมีผลก็เท่ากับลบคำสั่งที้เจ้าออกมาระมัดระวังมุ่งทราบไมงหลุดแล้วจะความดีมาจากไหนต้องมาผู้มานนมอบรมศึกษาเลยผลเรามาีอย่างนี้เรามั่นอย่างนี้เมื่อควนดุแล้วต้องดุหนักเมื่อควนดีแล้วต้อ ง, ม, ม, ง, ม, ง, ง, งมีความทมก็ต้องถกมันติดต้องผิดควนดุต้องดุไม่ควนดุดูกระํางเลอ่นเหตะ ดีอยู่แล้วแค่แคต้นเสาเนี่ยมันมาเป็นมาลาด้วยเรียองน้อนเป็นอย่างดีแล้วไปฟันมันทิ้งทหม่ไปถากมันทั้งใถาก็ขาจะถากแต่ต้นนี้ึ้มันยังไม่เป็นเสาเนียม้าตนหนึ่งที่เขาจะมาทำเป็นเสาสลาเป็ต้นทั้งเสียงเขาถากมาเจอต้นต้นนี้เลยดังลั่นป่าเลยเ้าถากกันทั้ง าถากเพื่อความเสวยความงามเพื่อความดีความถูกต้องของช่างที่เห็ น, ว, นว่าอันใดควไม่มควรคดงอที่ไหนต้องถาลงที่ตรงนั้นที่มันโกงแล้วก็ยังถากไปนิดึงไม่ใช่โกงแล้วก็เอามันทั้งเปลือกเปลือกก็ไม่ใช่ของดีอะไรสั่ต้องถากออกแต่ไม่ถากเพื่อเสียถากเพื่อเอา ไม่ร um, ัตีเลปั้งัฝากวอย่างนั้นตีแต่ก่จะเป็นย่นเป็นขวมัมาเตะเริ่มเรื่องนี้พันน่าช่างได้จนเมื่อแตกงเขาเป็นยื่นขวนมัมาแล้วใช้ประยชน์แล้สอนคนจะให้เป็นคนดีทั้งคนสอนพระเนให้เป็นดีทั้งโอมทำไมจะให้มีเสียงยั้งบุกยั้งด่าว่าฝัมีอย่างเยอะนั่นหลักมีอย่างนี้ ราาพระพุทธเจ้าับเพราะว่าพระฤๅษีเนีไหมล่ะขับเพื่อทาความพิหารแต่พระวาพระหรือขับเพื่ออะไรเราเห็นแยกในตหาที่ยกมันอย่างแล้วก็พระองค์เรียนต่อความพระมาภาริษให้สาเร็จถึมงมะ ข, ขุนิฐานขับไปเพื่อจะให้ถึมงมะ ข, ขุนิฐาน เม้าค ล, ลีมาดูสมไมดูรูปเราจะถาพคก็รื่องเหมือนกับผู้ทั่วไปอันเป็นความปฏิปุ้หน้าเกลียดทั้งนั้นหาความใช้งานที่ไหนเป็นความเห็นผิดโมฆะที่สุดมาดูในสิ่งไม่ดูมาสำคัญในสิ่งไม่สำคัญห น, นีเดี๋ยวนี้หลัง นี่ประโยชน์มึงต้นต้นใช่เราพอดีจะโดดขึ้นภูเขาเขาอยู่ภูเขาได้วจะโดดลงมาตายแล้วะ้วยความนอยใจทอง้องเป็เปี่ยนวัชพืชได้ครับวัคคารเราจะช่วยช่วยเธอสอนธรรมะแสดงบัิหารเท่านี้ประคองจูบได้พระพุทธเจ้าไม่จะขับไล่พวกความทีกขายเพื่อให้มาตายหลังนี้น เราไม่ไขักเธอเพื่อมายบมาหาตายตายลย่มันก้นเถือนนี่เราขับเธอเพื่อเป็นประยชต่อนมเราเป็นศกสนาของโลกฝันต้อรู้ได้สาเร็จมากกว่านี้ฝันเห็นไหมล่ะมือมันต้องดึงเพื่อนทำให้ฝันตายโลกไม่มีแบบมีศักดิ์เราทำหลักที่ไหนมีแบบมีศักดิเราจะหลักนำหลักทำหลันที่ไหมากสองหนึ่งเพื่ เราจะเนินมาก็จะเนินหยาบนะเราอยู่คุบาการก็ได้ผันเรื่องดูเรื่องด่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วอมมันใช่คุบอาการข้างหลังนะเคยดุเคดาแต่เรามาอุตลิขขึ้นมาด้ว่าโดยหาเหตุผลไม่ได้อย่างนี้ท่านดุด่าก็ดูด่าเดื่องหุ่นเรื่อเอาถ้าเป็นตัวผันอรกท่านอาจารย์มา่นถึงต้นวางนแต่ลหุนนะผมดูแต่ละครั้งแ่ะรา้งโอ้ตัวัน ยืนอยู่ที่ไหนยืนูันแข็งหมดนี่เราเต่อหน้าต่อตานะ่ยางวันจาแสดท่านเดินกับดอกมามัสเล็เปี้ยงเปี้ยงู่ตันมีหมยถึงมันเด่นเด่พระองไหนอยู่ที่ไหนยืนนยืนตัวแข็งูเลยองค์หนึ่งกาลังกองน้ำไปถันนั่งานนั่งอยู่เป็นพักคือกองน้ำน้่างนี้้นมากองน้าเนีมันนั่งฐนคอยท่านจักจักในเดินเล ตั้งสมาแข่งตรงนี้พ้าวนั้นก็เลยยืนแข่งนั่นถามน้ำอะไรล้วนั่งตัวแข่งนหนึ่งมาสถิตทไมนั่งูงกวท่านจันโดดตูมไม่มีสถิตทั้งโดดลงไม่มีสถิตทั้งนั่งขนาดนั่งก็มีสถิตลืมตัวท่านมาอยู่ต่ำกว่าเราท่านนี้ก็นั่งสูงท่านไม่รู้ตัวท่านก็ไม่มาสนใจอะไรว่านั่งสูงนั่งต่าท่านสนใจเรื่องของข้าฮึเอเลียเอานี้ะ ข้ในโนี้ออกตักรัดไปหามาในป่า น, นั่นน่ะได้บอกใครได้หล่ะใครเฮ้ อ, อพวกท่านขอนนเนสายจากใครมาลบจากับใคนเดินไม่ได้คำเดนถึงูบาอาจารย์ไม่คำเดูนถึงหลับทารามหรอกยไมันเป็นขอบเขตของร้าของเงินตลอดเป็นู้ปกครองปฏิบัติต่อกปนหระน่ะโยนเฮ้อเอาลเอานาที่เลยเ้อพกเอาเนื้อยจากใครขอื้อสายลไข่ ไม่มีทางออกที่นี่ ก, ก็ลาท่านมหาบัวท่านหามาเป็นเป็นผู้ให้ทิสายท่านเหลอสังทิษน์สายพวกเขาหนักเขาบีบที่ไหนูตายทมันเอาความเวรมัดอีแล้วไม่มีทางไปทางธรรมดาท่านที่ว่าว่าเราท่านไม่ได้ตั้งใจมาว่าเพราะฉะนั้นสายพวกที่ให้มันถนัดเมื่อ่านทุนเราก็ต้องเอามันอีกที ขั้นแนันลว่าเราหลับผิดที่เดียวเมื่ออ้านเหมนั้นมั น, มนองยังไม่ถูกจริงภาน้นหนักตายี่หน่ับหนีหนึ่งพนามไม่ใสหนึ่งาาเพราะว่ามันต้องไปดึงดับลงไปก็เป็นภาพผิตุจริงๆมีอันหนึ่งที่พอผมจะออกได้ อระกาบเรียนท่านไม่เป็นไม่เป็นคำปรงถ้าไม่มีนี่เลยผมก็ต้องยอมตายเนี่ยโอ้นั้งตายอนหมดผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดถึจวานซึงไม่ใช่เป็นการลานวันนี้เฉยมันก็ผิดไม่คำว่าเหมอนจะมาเมา้วยคำว่าถ้ามามาอีกจะต้องบอกคุ้บาอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่่าแตไม่ไม่เป็นแบบเป็นขมยอย่างนี้เพื่อไม่ใปรับไม่ให้พลาดเปนนอนเก่า ไม่นนไม่ผมว่าพาไปเทีย่ยวลาท่านไปทื่หนึ่งมันมหมดผมก็เลยสั่งคนบ้านหลังต้องเอาห น, นึ่งเดี๋ยวคนมาเอาไปขายเนี่ยนะฮะวันนึงแต่อันนี้ผมไม่ได้ถือเป็นอ้างว่าลาท่านลาผมคืออะไรนะนั่นผมเอาตอนนะ ท่านเข้าห้องแล้วท่านมาบอกเอ๊ะทำไมไม่ได้ท่านทำไมเราไปเอาอะไรรีบมาแล้วแล้วเอาไม้นั่นประตูมาด้วยเนี่ยเป็นคาอเนรยกาบผมไม้เนี่ยประตูเนี่ยมันหักไปอันหนึ่งมันมีสอันไม้ประตูออกวัดแล้วม่านเห็นด้วยอย่างละหนึไปผมก็เลยได้ออนี้ไปกราบเรียนท่านขอเจ้าสาท่าน มาเไปแล้วไปทมาลาสมากรับลาคุณาจันท์เพื่อนการรบควรก็เอามากับผมก็ได้หลวมตัวเลยให้ไปแล้เห็นมประตูงมันมันมันหักแล้วฉาดมันเข้ามาบวเลยน่าจะเอาม้าใหมาด้วยเิกับผมก็ยอมรับหมดแล้วก็เวลาขึ้นไปนี่ผมเห็นอาการทั่านวัดท่านไม่ได้ตั้งใจว่าผมเลยท่านตั้งใจเข็นพระธรรเพราะซึ่งท่านกิยาเล่านั้นท่านเป็นกรชากับผม ธรรมนาธรรมนาวันนั่งขึ้นไปโอ้ยท่านทรอาการยิ้มแย้มแจงใสกับเราพอมาดูพระเดรแล้วเราก็ขึ้นปเราขึ้นแก้นเอยใครจะขึ้นไปนะเราขึ้นองเดยวราขึ้นพรองก็นไปเน ม, มามท่านน้ำร้อ น, น่อยไนอะนะ อ, อนะออกคุยไปนู่นคุยไปนี่ไปด้วอยถึงท่านไปเลยซึ่งไม่เคยอยีกผมก็รู้ แล้วเราจะหาากับพูดเรื่องนี้มาอะไรพูดไปไหนจนกระทา่งท่านมีพอท่านคงโค้งคงกลับมานี่นิ่งนิดหนึ่งเราก็ไปหาว่ามาพูดเอาท่านดังนั้นนี่ไปแล้วดังนั้นเราก็เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาพอเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มอกัดสบายลัวเลยเวลาเราคิดแล้วบอกมือเช้านี่ก็ผมได้ผิดจริงๆได้ยอมรับว่าผิดได้ให้หมู่เพื่อนตายได้ให้ห่เพื่อนตาย ขอเห็นนั้นนั้นนั้นแล้วก็พูดถึงหนังไม้คือมันบางคนเขาจะมาเอาเยเพราะมันอยู่ทางอะไรรีให้ภาพอาเช่นวันี้เราไปไปตอนสายตอนพ่อแม่พูดต่างห้องแล้วครับของเราจะเป็นการรับกวดนะครักจรออยู่กับขวไม้เขาจะบไม้ไปไปเลยทาเป็นตั้งใจาไปลกิจกรรเรืกองข้างในไปเลยปล่อยให้ไปเราะผมอยู่ตรงนี้ยอมรับหมด เออไม่เป็นไรเยอะมากๆความพูดได้ประยชน์เขาปยชน์ท่านอกเออเป็นไรท่านก็ไปนู้นอีกเนี่ยนู่นยังไม่จบนะคือท่านจะม่มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยท่านก็ไปท่านที่นี่เรามันมันยังมีความขัดเต็มตัวนี่พอท่านมัมาอีกเราก็พูดเรื่องอรก็ขยับอันนี้เขาไปอีกท่านว่าจะไปเลยเรืองที่ท่านก็ไปท่านไปนู่นอีกไปเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องเก่าเรื่องแก่ท่านไปเลยซึ่งท่านไม่เคย อยูกับผมเราจะฟังท่านจะพูดจะทำม้นล้วนเพราะท่านเคยเห็นภผมขึ้นไปสองสแลนะ้วท่านเปพูดธรรมะทันทีเลยพอรู้นูนใส่ผมวันนี้ใสยผมถ้าวันนี้ใส่ผมเป็นงั้นถ้ามีท่านอย่างที่นั้นด้วยแล้วเรื่องของผมจะไม่พูดเลยสำหรับผมเองท่านก็ไม่เคยถามผมเลยเรื่องปัญหาธรรมะเป็นไงใจเปตด น, นะจะไม่ถามเลยเราก็ไม่ไเคอนนื่อถ้าไม่มีใครแล้วมีแต่ท่านกับเราเอาละคุณแต่เสียงลั่นเห็นแต่ลั่นพสองสองนะ คนอื่นได้ยินก็ได้ยินตอนนั้นครับลุลมเงินมาทางใต้ขงมิสิกในเวลาตอนใหม่ว่าตอนคือถ้าถ้าได้โต้กับที่ใก็เด้นั่นโดยนิสัยผมมันห า, วา ค, ความจริงจรินี่กลัวก็กลัวกลัวครูากาารยแต่หลักเหตุผลนี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องการอย่างยิ่งเพื่อความเปิดทางเราไปท่านจะหนักขนาดไหนก็คือการเปิดทางให้เราทนั้นนะเราคิเป็นนั้นนะ ปูมาก็เหมือนวนดึงท่านมา้ตรงทร่าวนเรื่องกรนาำให้ใส่มาเฮ้ยระ น, านมาให้แล้วรับขับหนีเราอ่นี้แล้วับหนีอะไดุ้ณเดี๋วไปอี้กันตนนับยับท่านอานไปแล้วนเรื่องเลาล ว, ว่าท่านทร้่างนั้นางทนมันจะลืมตัวังบัปขันกระถูกท่านอี้โนสภาพผึดมีแต่ผมเราไปตัดพร้อมนั้นหะ มันมีทางไหนถ้าเป็นตะวิ่งที่มาผมที่มาผมผมจารับทุกอย่างแต่มันก็มีช่องที่จะจำรับโดยไม่ไม่มีความผปรแสงมันมีเงื่อนที่จะจาได้อย่างที่ว่าจำขึ้นจำเรียนท่านได้อย่างที่เราว่าพอเราอยากให้ไปถ้าผมว่าอยากไปนั้นนี่พระหมนั้นก็ไปไม่ได้จะคุยผมได้เยู่เพราะท่านเพราะนั่นก็เขารโกผมเหมือนกันจะดูก่กท่านอาจารย์มั่นกระานไม่มีองค์ไหนจะมากระลึกผมได้กลัวผมเหมือนกัน จ้องหน้ากตรงนั้นองตายแตรูปไหนหลงผิดไปึกเหมือนกันเพราะเราเอาจิงอาจังเราชี้แจงผลลุนทุกสื่ออย่างมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่ามาเองทั้งหมดนะล้วประชุมรับประชุมหนูสพาหนูเราก็ไปประชุมไป้ยทีรับรองยงลงดาบเรยว่าเรียกพระเนมาคันขัดข้องไม่สะดวกตาเรามองเห็นเร่องมาเมาตอน จะาให้เป็นข้อหนักใจไปถึงท่านนะเรามาเองทั้งนั้นท่านยูตัวลำฟังท่านเห็นไหมท่านยูภูเขาี่ไหนเนี่ยเกยดจนใจกระมพาะนี่รมมาใหรกรุมมารุมมามาแล้วมาทำาานหนักท่านเหนื่อยนะเอาไปเนืยเน็บไเนื่อยเรื่องขวมวัดคอว่างเหมือนกันองค์ไหนดินเนินดันนอนแอรถุงเนบด้วย ขอวัดคณิตศาสตร์เราต้องเป็นหัวหน้า อ, อกค์กเพื่อนเหมือนต้เป็นลูกเขย่ใหม่ๆนำหมู่เพื่อนทุกมากพูดถึงอยู่เพราะว่าแม่ตัวใจเขาเกี่ยวข้องอกองับ เ, เพื่อนดึงหมู่เพื่อนลากหมู่เพื่อนนั่นจะเป็นความหนักใจเราแม่มนหนักใจท่านพูดถึงเรื่องหรือ่องด่าใครจะเก ง, ง, ง, ง, นเน ง, งนี้กว่าท่านสามารถราาแยกงน่แยกไม่ได้ถ้องมีที่แยกตั้งหมด ผู้หาอาาัมหาเลไม่หาอะไรนะมันยอมยอมมันถึงใจเลยในเวลานานไปลังไปท่านไม่ได้ดุไม่ไม่ดุเนี่ยมันมัฟังธรรมะเผ็ดน้อนเด็ดๆเราเองอ่ะนี้อุบายแบบหนึ่งแบบบ้าเราสอนนั่สอนนี่ค้นบ้างคุณบ้างเดี๋ยวท่านเบงเบ่งกันมากเตี้ยงเอาระหงดหน่กดคุณถึงดุแล้วท่านดุเราไม่มากกพ่อ ท่านก็ทราบแล้วก็ทราบว่าสิ่งที่เสียหายเกิดความเสียหายท่านดูนั้นมีอะไรนี่เราก็ทราบเราเองนั่นเป็นลนกษณะที่ความสนิทใจนั่นกระดุกไปก็ด้วยกันมาท่านก็รู้ในสายเราเราอย่างไรกินจังแค่ไหนก็ไม่กินกังแไหนท่านก็รู้เองท่านกัะดุกเราดูไปนั่นหน้าที่ดุ ่องาอย่างข อ, อ, นนของวัตรปบันิ น, น, นั่นแหละดูแคทของเพื่อนเน่ปัดกวดกอะไรยถงไพูดกับหมูน่นหมู่พได้ดูแล้วเกลีอยู่ด้วยกันมี่เวลาอยู่ครูบาาจารนี่มันงเล็บนะ ออกจากกูวาจันเนี่ยมันจะเล่นเต็นเพลงนใครมีเพลงไหนแบบไหนมีส า, ไ, าไหนมันจะไปทช้เต็มผุมันมันจะขายกูวาจันว่าว่ามั น, นก็ว่าแล้วมันก็เป็นอยังไงเห็นไหมใครที่ไเล่นเต้นเพล ง, พลงไปคำนึงกูวาจาั์เมื่อไหร่มันผิดไหมล่ะไม่ผิดดูก็อยู่ตรงนั้นมันรู้ใครองค์ไหนมีต้นแขนองค์ไหนต้นแขนองค์ไหนมันรู้ ท่านองแม่ท่แม่ยมบาปู่อาารยคนอยู okay. end, ่โคกมะนาว็ขาตามดออกมาตอนดีดออมานมาตรวจมาฟัน่งนี้ส่วนเวลาเราท่านหลวงปู่กลมาคงง่ก็มัอนกัอยู่ท่านจกับท่านยังนั่งท่านยังนั่งดนกีหลังจริงั่น่งอางเนขั้นวนั่งเป็นผู้ปจิบันบาทท่าน เป็นยังไงก็เป็นยังตัวขังใหญ่ยโอ้ยขังมากนะัพายเลย่เลยวขนบนันนี่ยิ่งเลื่อนโอ้ยยงยิหอนว่ามีหมอน่เดียนี้เรื่กิเลสมันเล่นมือมันตัวเท่าหนูมันคลองึ่งเหมือนว่าตัวเท่าช้างได้ช้างที่มันกระตัวเท่าหนูนั่นแหละความสาคัญเรื่องของเด็ด้งน เรื่องทำางนแล้วไม่ตื่นหรือว่าจะเท่ินเลยถ้ามหาผรมลงมาก็ไม่ตื่นตื่นอะไรถ้ามหาพรมกาับทำทำเนี่ยท่ามหาพรหมยิ่งวิสุทธิธรรมภายในใจเป็นภูมิไปแล้วนั่นแหละมีเท่านั้นไม่มยอะไเหนือนั้นเลยวันอะไรๆก็เหมือนกันหมดไ่จังทุกขลักาณที่นารูกแล้วหมอเลี้ยมอะสมอภ ตึ้งอันยตั้งอยยิ่จะรวดคุณหลวงจะหวดดาวเทียงเรได้ไปไหนว่าเฉยอย่างเรานี่เราตั้งเราลงได้ฟาดลกต่างเหนือจะหวัดเหนือดาวเทียมเราก็ตั้งได้แต่เราตปจกนั่งจับอย่างนี้อย่างนอย่างตั้งตึ้เตืนใจ พิเรนก็ตั้งมาพิเรนก็หลงกันพิเหลงพิเรนเรื่อนีอยู่น่าจินุ่นพอตัวเรืนะ่นั่งตื่นตื่นชมก็แล้วตื่นก่อนเท้าังยิ้มับบนจะจะแดงนออกไปว่าไม้คอม่ายนะไม้คอมายนีเขาชมเราอย่างนั้ น, น, น, น, นเขาต้องมีเราถเขาต้องมีด้วย ดำไปเหมือนฐานไฟไม่มีไฟต่อเน้าองจนถา น, านมีไฟก็แดงโลกงขึ้นมามันจะเลือกไม่เท่านั้นคือไม่พอดีขาดิดไม่พอดีที่อย่างเดียวหลอกเจของมันเขาว่ามันซีความหมายอะไรเขาว่าไม่ดีเหมือนเจ้าของไม่ดีจริงๆก็โกรธเขาด้วยทาว่าเหมือนเจ้าของไม่ดีโกรธเขายิ่งทำลายตัวใหญ่ โมโหโโสมก้าันมาติดในี่ะอล่ะ